อาจคอยสมทนไร้ไร้อาจลึกลับแต่มั่นคงการส่งผลของกันจะทำอะไรทำดีหรือแลวผนไมนคือกัน